ท่านก็อ่านและท่านผู้ฟังทั้งหลายตอนนี้ไปก็อ่านเรื่องฟังเรื่องราวของโลกดําี่ดาวดาวดาวหลุมดําต่อไปแต่ทุกท่านอย่าลืมว่าดาวหลุมดําเป็นนิทานแต่ว่าถ้าบังเอิญมันจะเหมือนกับนักพยาศาสตร์เขาเห็นกันแต่ว่านักพยาศาสตร์เขาเห็นของจริงแต่เวลานี้ท่านกําลังอ่านแล้วก็ลังฟังเรื่องนิทาน นิทานกับของจริงจะต่างกันหลังเมื่อชมอาหารแล้วลองชิมรสอาหารเขาแล้วก็รู้สึกว่ารสอาหารของเขาน่าจะติดใจก็มาคิดในใจว่าถ้าคนโลกของเราในโลกสมโพธิถ้ <c oughs> าว่าสามารถปรงอาหารจากถักได้มีรสชาติเหมือนเนื้อสัตว์ถ้าคนนี้ชอบเนื้อสัตว์ก็ให้กินเหมืนเนื้อสัตว์ คนนี้ไม่ชอบเนื้อสัตว์ก็กินมันผักอันนี้จะมีประโยชน์มากแล้วก็จะไม่ต้องทำบาป อ, อกุศลได้อริการหนึ่งถ้าทุกคนอยู่ในเจตเคตงของพรมิหารสี่ถ้ทรงพรมิหารสี่ได้นักริการทีสองทรงกําบวดสิบได้โลกก็จะเต็ไมไปด้วยความสุขก <c oughs> ็ถามก็ตอบไปว่าหลังจากท่านรับคำแนะนำจากพระโมคคัแลลาแล้ว หลังจากนั้นเขาคิดว่าพระโมคคัลลาควรสอนคนไม่ใช่ทุกคนนี่มีคนสอนสืบต่อไหมท่านบอกว่ามีสํานักเรียนเต็มประเทศและหลายๆประเทศก็มีสํานักเรียนเหมือนกันสอนวิชาที่พระโมคกัลลาสอนแล้วให้ปฏิบัติตามจันั้นโลกนี้มีจึงมีความสุขแล้ถามท่ว่าโลกนี้มีคนจนไหม เขาบอกโลกนี้อีกหลายหลาโลกสามสี่โลกก็ที่เป็นเพื่อนกันไม่มีใครจนถามว่าทําไมถึงไม่จนเขาบอกว่าคนจนไม่มีเพราะที่นี่มีแต่คนรวยทุกคนมีการพอกินพอใช้ไม่มีความลาบากยากแน้นไม่มีการเบียดเบียนกันค่าใช้ใจ่ายก็ต่ําอาวุธุธรปรกรณ์ก็มันห้องต่างก็ต า, ามว่าเรื่องของคนไม่ต้องมีอุปกรณ์ก็ได้แต่เรื่องของประเทศชาติ ถ้าไม่เนยุอาวุ ธ, ธ, ธ, ธ, ธยุทโธปกรณ์้วก็บางทีชาติเอื่นจะลุกรานข้าวาถามว่าที่ไหนมีการลุกรานกันอันนี้ใจกันแล้วเพราะว่าที่นี่ไม่มีการลุกรานกันโดยเฉพาะอย่างยิ่งเผื่อที่จะตัดตรงหมดที่ของใครจะเดิมๆจะมีการลดคดเคี้ยวบ้างอาณาเขตชายแดนแต่ว่าทั้งสองฝ่ายตัดสินใจว่าทําให้ตรงดีกว่าเมื่อทําให้ตรงก็ทําถนนทั้งสองข้าง ประเทศโน้นถนนข้างน้นประเทศนี้ทถนนข้างนี้่วมจุดกลางทําเดินทางรถไฟสองเลนเรียกว่าสองรางคู่ก็บอกกันว่าถ้าอย่างนั้นผ่าไปดูได้ไหมเขาก็บอกว่าได้เขาก็จัดยานพาณิชย์ถามว่าท่านจะไปยานพาณิชย์ไหมก็บอกไปสิท่านมีแล้วก็ไปถ้ามีฟรีไปทุกอย่างก็บอกในฐานะที่ท่านเป็นแขกบ้านแขกเมือง โตไม่เชื่อเล่นนะาถือว่าเป็นแสกบ้านแสกเมืองก็ต้องมียาด h นะ m เป็นยานดนนามพรพิเศษเขาก็นำไปข้างนอกเบอร์คณะของท่านมาทั้งหมด14ท่านแต่ความจริงคนพูดเองยังไม่ได้นับลืมหันเปลองนับโดนนับนอกจากตัวคนพูดเอง13ท่านแล้วตัวเองก็เป็น14ท่านเขาเก่งเขาเรียบร้อยจริงๆง ท่านเขาถามว่าจะต้องการไปรถหรือไปต้องการเครื่องร่อนคำว่าเครื่องร่อนก็หมายความมันเป็นตัวกลมๆที่เรานิยมเรียกว่าจานบิน ห, หรือว่าจะไปเครื่องบินเครื่องบินมันยาวๆก็คล้ายเครื่องบินของเราแต่ลักษณะหัวของเครื่องบินจะมีสภาพสูงกว่เครื่องบินของเราก็เราหัวลู่ล ง, งเขาหัวตั้งและมีหัวดานมุมหัวแหลมแหลงก็คล้ายเกลือมก็ไม่เหมือนนัก ก็ลงกวาว่าเราเลยบอกเขาบอกว่าเอานี้ก็แล้วกันท่านเห็นว่าอย่างไหนดีเอาอย่างนั้นก็แล้วกันเขาบอกไปเครื่องล่อนดีกว่าข้างล่างเป็นกระจกมองเห็นทุกอย่างเนี่ยของเขาดีด้วยทุกคนก็นั่งเครื่องล่อนเข้าไปเ้าล่อนไปนิดเดียวไปชัว่วขณะเดียวจะมองดูข้างล่างมันก็เป็นด้วยความสวยสดสยงามพอถึงเส้นระหว่างประเทศเขาก็ลงเขาบอกถนนฝั่งนี้ถนนรถยน มีเลนที่วิ่นนงแปดเลนถนนฝั่งโน้นถนนรถยนตมีเลนที่วิ่งแปดเลนเหมือนกันเป็นถนนคอนกรีตนี่ไม่ใช่เมืองที่ยแต่มันเป็นเมืองมนุษย์แต่ว่าคอนกรีตก็มาเจอมันมีสภาพเหมือนหินว่าคอนกรีตโซลคันของเราแข็งที่สุดคือคอนกรีตแล้วก็ส่วน ก, นวน ก, นกลางๆนั่นเป็นทางรถไฟออก็บรรลุไปนิวีลนด์ไปได้ใช้รถไฟได้ร่วมกันทั้งสองประเทศ ไปตะบนเดียวใครจะลงประเทศนู้นก็ได้ลงประเทศนี้ก็ได้มีสถานีตรงกันหมดไปถึงสถานีปับก็ลงได้ทั้งสองข้างใครลงประเทศไหนก็ตามเพืจอถามว่าผืนแผ่นดินที่จับจองกันในตอนก่อนมันมีการ ล, อาลดอรถโคดเคี้ยวเรียบร้อยโคดเคี้ยวแตเวลานี้ทั้งต่างทั้งสองฝ่ายต่างคนต่างตัดให้ตรงอาศัยอะไรเป็นเหตุเพราะบางประเทศตัวเสียหน้าที่ไปอาจจะขาดทุน เขาก็ยิ้มก็บอกคําว่าขาดทนในเมืองนี้ไม่มีเมืองนี้มีความต้องการอย่างเดียวคือความไมาตรีซึ่งอะไรกั น, น, กนมีความรักอะไรก็ตามจะเป็นกฎเรื่อความรักก็ได้ให้เหตุเรือความรักและการปฏิบัติกดต่างๆไม่เกินกำหนดสิทธิหรือว่าไม่เกินไม่เกินพเ ม, มืองสี่ไม่เน่าเถอไปจากนั้นไม่เป็นทางลบคือทางสร้างความเดือดร้อนประเทศนี้เอาแต่ประเทศทั้งหมดนี้เอาทั้งหมด ดังนั้นประเทศทุกประเทศจึงไม่มีอาวุธรบในเมื่อไม่มีทาหารไม่มีตำรวจก็ไม่ต้องจ่ายเงินเดือนไม่ต้องจ่ายซื้ออุปกรณ์ต่างๆที่มันมีราคาแพงมากแล้วก็ไม่ต้องจ้างตุลาการตุลาการคนตัดสินก็ไม่มีมีเจ้าหน้าที่คล้ายกำนันเพื่อในเขตหนึ่งเขตหนึ่งก็มีพยาบ้านมีกำนันเหมือนกันก็มีแค่นี้ย นีู่ดในบ้านนั่นก็มีกำนัน้ต่อจากนั้นก็มีเมืองลูกหลวงเป็นเมืองในเมืองแต่และเมืองก็มีเจ้าเมืองแล้วก็มีคนเจ้าที่ไม่กี่คนนักงานที่เขาจะทํากันก็ส่วนใหญ่เป็นคนรับภาษีก็เลยถามกว่าเมืองนี้มีความร่งำรวยเจริญมากรัฐบาลมีไรายได้จากภาษีเยอะได้ยังไงเขาบอกก็มากอยู่ถามว่ารัฐบาลเก็บภาษีแพงไหม เขาบอกถ้าจะใช้ศัพว่าแพงเมื่อไม่ใช่ของค้าขายกันแต่จะถือว่าน้อยหรือมากตรงถือว่ารัฐบาลก็เก็บมากแต่คนที่เสียภาษีไม่เด็ดร้อนทางก็บอกว่าถ้าอย่างนั้นภาษีที่เก็บสูงสุดในของที่จะหน่ายจแจกแล้ว ต, ต้องเสียรัฐบาลต้องเสียเท่าร้อยละเท่าไหร่เขาบอกว่าอย่างคนต่อรถยนต์คนต่อเครือบิขนขายรถยนต์ขายจะมีขายเป็นต้น ของหนักๆประเพทนี้ต้องเสียภาษีร้อยละสามฟังแล้วก็งงทําไมถึงว่างงไอ้ร้อยละสามมันนิดเดียวของต่ําไปจากนั้นอย่างขึ้นโอเบอฟ ว, วัยพวกอย่างของกินทั้งหมดนี้ไม่ต้องเสียภาษีเสื้อผ้าที่ขายส่งเสให้ให้สิ่งกันอะไกันของใช้ตามธรรมดาเนี่ยไม่ต้องเสียภาษีภาษีนอกจากนี้ก็มาใช้ภาษีโรงเรือน หมายถึงว่าช่างที่รับจ้างเหมาทำโรงสำรวจ อ, อย่างนี้รัฐบาลเก็บร้อยด้านหนึ่งก็ถามเว่าเลยเมื่อรัฐบาลเก็บน้อยอย่างนี้จะมีเงินไปจ้างข้าราชการเลยเขาก็ตอบว่าข้าราชการที่นี่ไม่ตกจ้างทุกคนมีกินมีใช้แต่ปีหนึ่งรัฐบาลก็จะมีรางวัลให้จากผลประโยชน์ที่รัฐบาลจะบิกได้จากภเสียก่อนร้อยด้าสิทิ แล้วก็เฉลีย่ยกันไประดับของพ่อเมืองได้สมเปอร์เซ็นต์ะดับของลูกเมืองก็ว่าเปอร์เซ็นเปอร์เซ็นลงไปแบ่งเปอร์เซ็นต์จากร้อเจ็ดสิบออกมาแล้วก็เฉลีย่ยเป็นรางวัลตอบทีแล้วคิดในใจว่าไอ้เมืองนี้นี่มันมีความสกจริงๆอาาสีก็ไม่มีเดือดร้อนและบ้านเมืองก็มีแต่ความสงบก็ถางก็ว่าถ้าอย่างนั้นถ้าเกิดเรื่องร้ายขึ้นมา เจา้าหน้าที่ตำรวดไม่มีตุลาการไม่มีแล้วจะมีใครไปจับเขาบอกไม่มีใครต้องจับใครทุกคนรู้ตัวถ้าทําความผิดจะมาสรภาพผิดจะํนานันพรหเยบ้านที่ต น, น ข, ขนึ้นกันเขาบอกความกับเขาก็ทํานั้นก็เลิกกันทำนั้นพระเยบ้านสั่งการออกมาอย่างไรปฏิบัติตามนั้นเป็นที่พากษ์ษาในตัวเสร็จอันนี้เปน็นเรื่นิทานนะอย่าลืมว่าประเทศไหนๆที่จะมีความสุขอย่างนี้มันไม่มี จะมองควาว่าประเทศที่มีความสุขมากเขาเสียก่อนกขาเสียน้อยโดยเฉพาะอย่างยิ่งส่วนใหญ่จริงๆไม่มีใครต้องเสียภาษีเพื่อฐานก็ว่าถนนทุนทางกขดีติดตามกขดีโอท้องใหญ่โตมากแล้วแม้เมื่อรัฐบาลมีไรายได้น้อยไ้่จะสร้างได้ยังไงเขาก็บอกว่าไม่ใช่ของแปลกเทศไหนก็ต่างคนจะร่วมมือกันถ้าในตำบลนี้ต้องการถนนเขาก็ร่วมรลงทุนกัน สร้างถนนที่นี้ต้องการจะสร้างตึกที่ทำการตั้งต้งตั้งการสร้างอะไรก็เป็นส่วนกลางก็รวมพึ่งเข้ามานอกจากนั้นก็เป็นเงินส่วนตัวถามถึงราคาของตกใจสิ่งที่จเปรียบเทียบกระท่านผู้ฟังได้ก็คือก๋วยเตี๋ยวอาารเลยก๋วยเตี๋ยวธรรมดาธรมาข้ามถนนกันเพิ่งของเราก๋วยเตี๋ยวอย่างดีราคาสิบบาท อย่างตําลนมาก็ห้าบาทนมากว่านั้นอันนีน้ประมาณสี่บาทแต่ว่าก๋ยเกลี๋ยวของเขาชามหนึ่งราคาประมาณสิบสตางค์ของเรานับเปรียบเทียบกับเงินเราก็เป็นกันน่าอัศจรรย์มากจะรู้สึกว่าทุกอย่างมันถูกหมดไปดูของซื้อของขายาาขราคาก็ตูกก็รวมความว่าเป็นเมืองที่ทรงกําบลดสิทธิและประิหารสีทบทวนจะเจอหน้าใครกร็ตามมีรายการยืนยันจำใส ก็บอกเขาบอกว่าถ้างนั้นลอยไปดูรอบๆลอยมาดูที่เมืองท่าก่อนมีอะไรบ้างตรงนี้เป็นเมืองท่ากประเทศไหนวันนี้เมืองท่าเขาประเทศไหนเขาก็บอกหดก็ถามว่าเมืองท่าแต่ละประเทศเวลาส่งของออกต่างประเทศจะต้องเสียภาษีไหมก็บอกเรื่องภาษีออกกับภาษีเข้านี่ไม่มีขนของออกไปเท่าไหร่ไม่ต้องเสียภาษีเสียตามที่จะจเป็นต้เสียตามกฎธรรมดา ในการเสียภาษีเพื่อการส่งออกไม่มีและภาษีเข้าล่ะเขาก็บอกไม่มีเหมือนกันดังนั้นของในประเทศนี้จะมีราคาถกถ้ถาเรื่องค่ า, าจ้างแรงงานเขาบอค่ า, าจ้างแางงานก็มีเป็นของธรรมดามีเป็นเป็รเซนการขนของทุกอย่างราคาเท่าไรว่ากันมาเขาดูราคาแล้วคิดเปอร์เซนราคาค่าขนตั้งแตเริ่มขนแต่ต้นเข้าสนามเข้าเข้าลาน จากลายมาจุกล่องจากกล่องก็มาจุเรือนําลงเรือทั้งหมดอย่างนี้เกือบร้อยละหนึ่งเปอร์เซ็นต์ถามว่าพอไห้เขาบอกไปเหงนใครเขาบนเข า, า, ายืนงแย้แจ่มใสกันก็รวมของความว่าประเทศนี้มีความศักด์ทุกข์อย่างถ้าศัยพระบุคลาเป็นผู้นําหลังจากนั้นก็ถามเขาบอกว่าถ้าจะต้องการไปเมืองหลวงจะพาไปได้ไหมเขาบอกเมืองหลวงอยูกก่ใกล้ การเคลื่อนไปจากที่นี่จากยานวานาประเภทนี้เพียงแค่ห้านาทีก็ถึงคือแต่ว่าเวลาของท่านนะก็เลยต่างจากพราะถ้าอย่างนั้นไปไปเมืองหลวงกันพอไปถึงเมืองหลวงเมืองหลวงมีความสวยสดงดงามจริงๆมีตึกมีรามีถนนทุนทางมีผู้คนแต่งตัวสวยสดงามผิวคนทุกคนจะเหมือนกันคือเป็นคนเนื้อละเอียดผิวเหลืองน่าอิ่มเนื้ออิ่มทั้งต่ายเนื่อคนเนื้อเป็นทั้งหมด รูปร่างไม่เว้าไม่แหวงไม่นูนนี้พวกเราเขาว้าแหว่งทำไมเพราะผอมเกินไปบางตึกกรีบบังตึกก็มีเนื้นอเยื่อว้าวหรืแหวงแต่ก็ไม่อ้วนเกินไปคนอ้วนเกินไปก็มีลักษณะสมส่วนทั้ดสมส่วนทั้งหมดถือและเป็นคนสวยทั้งผู้หญิงและผู้ชาย <c oughs> ยิ่งไปกว่านั้นก็สวยมากยิ่งเกไปเือเห็นหน้ากันก็ยิ้มเขาเจอหน้าก็ยิ้มเขาพวกเขาก็ยิ้มกับเองก็เห็นพวกเราเขาก็ยิ้ม ก็รู้สึกว่าไปที่นี่มีแต่ความสดชื่นก็ไม่ขอใหชมบ้านเมืองให้ฟังรถราไม่ติดใ น, นกรุงเทพเราแต่เขาก็แพ้กรุงเทพเราสย่างซึ่รถไม่ติดโดยเฉพาะอย่างยี่งถนอนนอกเมืองของเราจะมีรถมากกว่าของเขาแต่จุดที่เขานิยมจริงเครื่องร่อนเครื่องร่อนหรือจานบินที่เราคิดว่าจานบินนั่นแหละเป็นที่นิยมของเขารถจึงเขาไม่คนิยมกัน แล้วรถยนต์เขใช้ถ้าไปสถานที่ใกล้ๆเขาก็ใช้รถยนต์จะไปที่ไกลๆก็ใช้เครื่องร่อนถ้าถามว่าเครื่องร่อนในรถยนต์มีทุกบ้านไหมก็ตอบว่าเขานิยมไม่เหมือนกันบางบ้านก็นิยมมีรถยนต์บางบ้านก็นิยมมีเครื่องร่อนแต่ส่วนใหญ่แล้วไม่ค่อยนิยมใช้โดยใช้เครื่องร่อนของกลางราคาถูกกว่าคือค่าพานะกาถูกและก็มีความสะดวกสบาย รถยนต์กับเครื่องร่อนในเมืองมีสถานที่จอดอยู่ร่วมกันแบ่งสี่กันสี่นี้เป็นสี่ของเครื่องร่อนสี่นี้เป็นเครื่องสี่ของรถยนต์เป็นรถยนต์รับจ้างเครื่องร่อนรับจ้างให้ความสะดวกเสียค่าผ่านน้ำพิานุทังรู้ว่าเวทีนี้มีพระราชาหรือมีประธานาธิบดีรองทั้งสองอย่างเขากอกไม่รู้จักคำวมาพระราชา ไม่รู้จักว่าประธานมาธิ่บดีก็ถามว่าที่นี่ปกครองกันยังไงเ้าบอกมีพ่อเมืองพ่อเมืองถามว่าเป็นมาตามแต่กลลุาากลนัต thy ญาติรือสืบต่อกันมาจากแต่กุลต่างๆหรือยงไงหรือไม่ใช่ได้เลือกตั้งเขาบอกว่าไม่มีแต่กุลเป็นรัต t ญาติไม่ได้สืบต่อตามแต่กลุลแล้ว ก, ก, ก็ไม่มีการเลือกตั้งไม่มีการเลือกตั้งมีแต่การแต่งตั้ง ถ้าว่าการแต่งตั้งไปยังไงเขาก็เลยบอกว่าจะต้องการคนที่มีคุณสมบัติสูงจริงๆสมคนจะทําในตําแหน่งพ่อเมืองคือเป็นพ่อของคนทั้งประเทศเอามาเป็นพ่อเมืองก็้วถามว่าลักษณะเรื่องคนมาเป็นพ่อเมืองก็เขาทำยังไงก็ mm hmm. อบอกว่าทุกจุดจะต้องสังเกตคนไว้สังเกตลักษณะของคนคนเกิดลักษณะนี้ก็มีตารา ด, ดูนี่โบราณแท้เลยนะเนี่ย นี่ําราดูตามคล้ายๆลักษณะของที่เด็กปัจจุบันคําว่าปัจจุบันหมายว่าอาดีตใกล้ปัจจุบันปัจจุบันเวลานี้ที่เบ็กก็คงไม่ได้ใช้ถ้าใช้ก็ไม่ทราบเข <c oughs> าจะดูกันมาตั้งแต่ด็ลักษณะท่าทางแล้วดูความประพฤติดูความทรงธรรมแล้วก็แต่และแต่และหน่วยก็ตัง้งต่างคนต่างมีไว้ <c oughs> เลือกคนไว้แต่จุดในที่สุดเมื่อพ่อเมืองของบ้านเมืองนี้ต้องตายไปจากไป แล้วก็อันนำคนทั้งหลายนั้นมาแข่งขันกันอีกถ้าว่าแข่งขันก็ระะายงานลักษณะอาการจริยาความทรงธรรมของบุคคลคนนั้นแล้ามันไล่เบียดหรือลักษณะให้ครบถ้วนโดยการการคันประพฤติปฏิบัติครบถ้วนตามที่เขาต้องการเขาก็าเชิญท่านผนนั้นขึ้นครองเมืองเรียกว่าพอเมืองคนทุกคนมีความเคารพก็ถายเ่อว่าท่าใช้เวลามาสมมติว่าเวลาผ่านมาสองพันปีเศษ หลังจากพระเจ้าของเร า, าตั้งแต่พระเจ้าของเราบัาาติมาจนกระทั่บัดนี้ 2,500 ปีเศษอยากจะทราบว่าเขามีพ่อเมืองกี่คนเขาก็ยืนมเขาบอกตั้งแต่เขาเกิดมาเนี่ยเพิ่งมีพ่อเมืองคนเดียว 2,000 ปีเศษมีพ่อเมืองคนเดียวแต่ว่าเขาบอกว่าเขาอายุ 8,000 ปีนี่เขาเพิ่งพบพ่อเมืองคนเดียว กถาก็ว่าทำไมคนอายุยืยนนะก็ตอบว่าที่นี่ต้องมีายุหมื่นสองพันปีเขาโลกจักรวาลมนุษย์เพื่อโลกชมพูยึงจะตายกันทุกคนต้องอยู่แต่งอายุไขัย <c oughs> ทั้งนี้พระใสพริหารสี่ระกำหมดสิ บ, บคุ้มครอ ง, <c oughs> งนี่เขาจึงมีทั้งมีความสุขจริงๆ <c oughs> แล้วเวลานิดหน่อยขอให้เขาพาไปสถานที่สนามบิน ถ้าบอกสนามป็นระหว่างในประเทศหรือว่าต่างประเทศหรือว่าต่างโลกแหมในประเทศเราก็เคยเห็นต่างประเทศลทศ้วก็เคยนต่างโลกจะไม่เคยเห็นก็ถามว่าคนต่างโลกมาจากที่นี่กี่โลกก็อบอกที่มาประจำจริงๆคือสามโลกโลกทางทิศเบื้องซ้ายแต่หันหน้าไปทางทิศใต้อยู่ข้างซ้ายมือในสองโลกแล้วยกโลกอยูย่ยยด้านหลังคือทิศเหนืออีกหนึ่งโลก ก็ถามว่าทั้งสามโลกนี่ลงสนามบินเดียวกันหรือ <c oughs> เขาก็ตอบว่าลงคนละสนามก็เลยบอกว่าถ้าอย่างนั้นขอไปชไมในระหว่างทางก็ถามว่าแต่และสนามมีลักษณะท่าทางแตกต่างกันไหมเขาบอกไม่แตกต่างคับเหมือนกันทั้งหมดก็เลยบอกว่าถ้าอย่างนั้นขอชมสนามเดียวเขาก็พาไปชมก็พาไปชมแต่ที่นั้นมันก็มีเครื่องบินในประเทศอยู่ด้วย ก็เพราว่ามีทั้งเครื่องบินมีทั้งเครื่องร่อนไอ้เ่องร่อนคืออาจารย์เหมืนหมดนั่นน่ะมีทั้งเครื่องบินก็ได้มีทั้งอาจารย์บินก็ได้ดีกว่าฟังง่ายดีแลักษณะมันเหมือนอาจารย์เพื่อรอรับชาวต่างโลกที่มาลงถ้าเขาต้องการไปที่ไหนก็พาไปที่นั่นในขณะที่ไปจะพบเครื่องบินคือเครื่องร่อนบ้างเครื่องร่อนแล้วกันมาจากต่างโลก แต่ว่าเครื่องร่อนในเครื่องบินลักษณะมันก็ไม่เหมือนกันบางลักษณะมาจากโลกเดียวกันมือรูปร่างคล้ายๆเดีวเมวไม่จะมีปีกก็มีรูปร่างลักษณะคล้ายๆเครื่องบินของเราก็มีตัวร่างคล้ายๆกระจาบบินก็มีหน้า <c oughs> ต, ต่างคนต่างมีพอเครื่องร่อนนั้นลงปับ๊บรู้สึกว่าเรียบร้อยดีมากเขาก็เปิดเอาเขาเปล่อยเครื่องขึ้นมาคนก็ลงมา การแต่งกายเนื้อษณะคล้ายคลึงก mm ัน hmm. จึงเข้าไปถามคนทีมาจากต่างโลกถามว่าท่านมาจากโลกไหนคือตอบโลกให้เขาทราบมาจากโลกนั้นโลกนั้นตอนนี้ท่านผู้ฟังแล้วผู้อ่านจะคิดว่ารู้ภาษาเขาได้ยังไงก็ก็ขอแต่ว่ารู้ภาษาจากอารมณ์คือคิดว่าภาษาของเขาเป็นยังไงให้เราฟังเข้าใจรู้เรื่องเป็นภาษาของเรา และภาษาที่เราพูดไปมันอาจจะไม่เหมือนภาษาของเขาแต่ตั้งใจคิดไว้ฟังเข้าใจเป็ภาษาของเขาให้เรามีความรู้สึกว่าเราพูดภาษาของเขาเขาก็ตอบภาษาของเขามาเราก็ตอบภาษาของเราไปมันก็ลงตัวกันได้เมื่อทุกอย่างลงตัวกันได้ก็ถามเรื่องความเป็นมาของเขาเขาก็เล่าความเป็นมาถามว่าการที่เขาเคลื่อนมาจากโลกของเขาต้องใช้ใช้ยะการบินกี่ชั่วโมง เขาถามว่าเป็นเวลาของโลกจมโพใช่ไหมก็ตอบว่าใช่ท่านที่ถามนั่นก็เป็นโลกที่มาจากโลกทั้งด้านทิศตะวันออกเป็นโลกใหญ่ไซส์หน่อยไม่ใสนะ่นับแต่ก็ไกลจากโลกของเราไปดวงจันต์เวลาการใช้เวลาเดินทางมาที่นี่ใช้ใช้เวลาของโลกจำโพก็เป็นแค่เวลาประมาณสิบชั่วโมง แต่ทางก็บว่าโลกของท่านจริงๆอยากจะทราบว่ามันมีมืดมันมีสว่างมันก็โลกสมพูไมก็แต่ว่าโลกเขาเขาไม่มีมืดมีแต่สว่างทางก็ว่าเวลาการนอนาการพักผ่อนจะมีไหมเขาบอกว่ามีแต่การพักผ่อนไม่เสมอกันคนนี้นอนเวลานี้ตเวลานั้นคนนั้นนอนเวลานี้ตื่เวลานั้นก็เรียกว่าแต่ทั้งเมืองทั้งบ้านจะมีคนตื่นแล้วมีคนหลับตลอดเวลา การงานที่เขาทำทั้งหมดจะไม่มีอะไรข้างเคงฟังแล้วก็น่าปลื้มใจนอนไม่ต่างเวลากันทําากรงานต่างเวลากันเพราะเขาไม่สว่างตลอ ด, ดก็ฐานอุปกรณ์เครื่องใช้ต่างๆถ้าบอกเขามีครบครันอันนี้ไม่ต้องติบายกระรงความว่าที่นี่มีความพันดวกไปต่างโลกก็ได้คนต่าโลกรู้เรื่องกันหันได้ดูเจ้าหน้าที่รทักทยายร่างกายแบบกันเองทุกอย่าง ก็เหมือนกันคล้ายๆก็ว่าเขาจะมีภาษากลางของเขาแต่ถ้าเาว่าเราฟังภาษากลางของเขาแล้วก็มันเหมือนคล้ายๆเสียงญี่ปุ่นชั้นๆที่โโกโกเราก็เกะเสียงหนักเหมือนกันแต่ว่าเขาไม่ใช่ภาษาญี่ปุ่นในเมื่อชมจุดนี้แล้วก็ถามเจ้าหน้าที่ดิที่นําไปถามว่านอกจากภาณชย์บนผิวดินคือรถยนต์แล้วก็บนในาจคือเครื่องบินและเครื่องร่อน นอกจากนั้นภานะของท่านมีที่ไหนบ้างก็บอกว่านอกจากบนผิวดินและนอกจากกายก็มีใต้ดินก็ถามว่าใต้ดินมีไหรก็บอกมีมีอะไรมีรถไฟมีรถยนต์มีเมืองใต้ดินโดยความจริงเรื่องนี้ไม่แปลกเพราะโลซีโฟเรามีอยู่แล้วใต้ดินทุกๆประเทศจนประเทศอเมริกาก็มีประเทศญี่ปุ่นก็มีประเทศไหนก็ตามเขาก็มีรถไฟใต้ดินมีรถยนต์ใต้ดินกัน มีสถานการณ์ใต้ดินกันเข้ามีอยู่แล้วก็ไปใส่ของแปลกโลกเราก็มีโลกเขาก็มีถ้าอยากจะถามก็ว่าลกมเมืองใต้ดินามันเป็นเมืองใหญ่ไหมเขาบอกว่าใหญ่พอดูถามว่าเส้นทางของเมืองใต้ดินใช้ความกว้างประมาณเท่าไหร่อาจจะเพราะเส้นทางเขาบอกว่าเส้นทางเมืองใต้ดินนี้ในรถจักรใต้ดินรถไฟใต้ดินของตามเป็นเส้นทางเดินก็มีความกว้างถ้าจะเทียบกับพวกเราก็ประมาณสี่กิโลเมตร เป็นความกว้างเขาถามเขาว่าขุดหนาไหมยก็บอกว่าหนามากเพราะถามว่าเวลาขุดทางน่ะมันผ่านวกเขาผ่านหินไหมเขาบอก ว, ากว่าผ่านก็ถามทำยังไงเขาบอกไอ้เรื่องนี้ไปเจ้าหน้าที่ของคนสร้างเสรื่งจักรบริษัทสร้างเครื่องจัก ร, ร ก, ก็มีความรู้มีความสมามารถเขาสามารถทําได้เอาเราท่านผระอ่านเราท่านบู้ฟังคุยกันไปคุยมามองดูเวลาเล่นนาทีเสร็จก็ต้องขอลาก่อนมันจะหมดเวลา ขอความสุขสขวัสดีพัฒนามงคลสมบูรณ์ผลผลจงมีแด่บรรดาท่านผู้ศาสนิขจนผู้รับฟังและผู้อ่านทุกท่านสวัสดี